มาถึงเรื่องคนเงินน้อยค่ะช่วงนี้เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะพอมีเงินเดี๋ยวนี้เงินเท่าเก่าแต่มันรู้สึกว่าจนลงเนื่องจากเงินมันเฟ้อของมันแพงแล้วก็เห็นเขาบอกว่าหน้าที่จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นและส่งผลกระทบไปทั้งภูมิภาคทีนี้คนใจบุญก็คือยังอยากทําบุญทําทานเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นไปได้ไหมคะว่าถ้า <c oughs> ไม่มีเงินออืฮ <c oughs> แล้วทําทานได้แล้วทําทด้วยวิธีใดค่ะก็เรื่องนี้พระเจ้าก็ได้บอกไว้เหมือนกันนะการทําทานเนี่ยมันมีหลายแง่มุมมากน ะ, ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของของเงินทองทรัพย์สินวัตถุอย่างเงี้ยมาหาทานชั้นเลอสามอย่างนะที่พระเจ้าบอกไว้น ะ, ะทดแทนกันได้เลยน ะ, ะก็คือศินห้าสามข้อแรกนั่นเองนะการไม่ฆ่าสัตว์ การไม่รักทรัพย์การไม่ประพฤติปิดในกรรมนะเป็นทานอย่างไรพระุทธเจ้าบอกว่าการที่เราไม่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณนะเป็นอเวลทานอ ภ, อภัยทานนะอภัยญาปชะทานนะการไม่ปริบาร์ไม่ชองเวียนกันไม่เบียดเบียนกันนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจริงๆเราก็สามารถฆ่ามดได้เป็นหลังๆฆ่าปลวกได้เป็นหลังๆใช่ไหมแต่ถ้าเรามีศีลข้อนี้ไม่ฆ่าสัตว์ หลวก็ไม่ต้องมาตายเพราะเราเป็นหมื่นเป็นแสนตัวมดก็ไม่ต้องมาตายเพราะเราเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอย่างเนี้ย <ฮะ S 1> อเราก็มีการ<อ><อ>ให้อป<า><า>ต่อใช่ใชอย่างเรื่องของข้อสองลักทรัพย์เนี่ยผู้เจ้าก็บอกว่าเป็นการให้ทานทรัพย์สินอย่างไม่มีประมาณเหมือนกั น, นการที่เราไม่ยึดเข้ามาสมมติว่าเราเป็นพระราชามีอำนาจในการฆ่าการยึดทรัพย์ใครก็ได้นะในสมัยก่อนเนี่ย นะพระราชามีอำนาจมากแต่ถ้าพระราชามีธรรมปกครองโดยธรรมพระราชากขาไม่ลิบทรัพย์ของผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการให้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยอัตโนมัติเลยก็สามก็เช่นเดียวกันนะเป็นการไม่แย่งของรักใครไม่เบียดเบียนของรักใครก็เป็นการให้ทานแะล้วนะนี่เรียกว่าเป็นมหาทานชั้นเลอชั้นประเสริฐนะประการแรก<ะ>ใช่ ออคือหมายถึงว่ามหาทั้งสามข้อทั้งสมข้ อ, ขอใช่ควจริงก็ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วการที่เราทำสามสิ่งนี้เนี่ยพระุทธเจ้าบอกมันจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโพุทธคัพได้มายังไงคะท่านได้มาซึ่งโพุทธคัพก็เราไม่ฆ่าสัตว์อืมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในการมเนี่ยจิตมันจะเป็นจิตที่มีบา ร, รมีคจิตที่สะอาดขึ้นมีบุญขึ้นตรงนี้เนี่ยมัน มันจะเป็นเหตุผลที่เหมือนกับมองไม่เห็นว่าเป็นเหตุผลค่ะแต่สําหรับคนมียันนัทัศนะหรือยันอย่างรู้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อการกระทํากรรมอย่างนี้นี่นะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งภพทรัพย์ปัจจัยค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไปทําผิดศีลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการตัดทอนเะเป็นการตัดทอนเป็นการตัดมองให้เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ได้มั้ยก็คือเหมือนกับอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ ค, คือคือสินสินต่างๆถ้าจะมองให้ให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือศิลเนี่ยมันเป็นเหตุหได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะเราดีสมาธิเราก็ดีไปด้วยเมื่อสมาธิเราดีกิจการงานเราจะดีะะตัวสินห้าเนี่ยมีประโยชน์มากเลยการที่เราไม่ขโมยเนี่ยเราไปทํางานที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนไว้เนื้อเชื่อใจอฝากเงินฝากทองให้ถือเรื่องปัจจัยเงินทองรับผิดชอบเรื่องปัจจัยเงินทองได้ พราเขาไว้ใจเราเพราะเราไม่ขโมยนะการพูดจาเนี่ยถ้าเราพูดจาดีอยู่ในสินในธรรมไม่โกหกเนี่ยคำพูดของเราจะมีเครดิตสูงมากนะการหยิบยืมเข้าของจากต่างหน่วยต่างที่เนี่ยไม่ต้องมีหนังสือก็ได้นะแค่ยกกลุโทรศัพท์ขอ ย, ยืมนะ <Okay. S 2> เอกสารค่อยตามมาทีหลังก็ได้ไม่งั้นนะถ้าคําพูดเราเชื่อไม่ได้ก็ต้องเออเอกสารมาหนังสือให้เรียบร้อยถึงจะยืมของได้อย่างเงี้ย <Okay. S 2> การทํางานก็จะสะดุดติดขัด เงินไครก็ยืมได้เครดิตดีเลยยืมละให้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นประโยชน์ทางโลกอย่างมากแต่คนมองไม่ค่อยเห็นไงเพราะว่ามันต้องมาพิเคราะห์เหมือนกันหรือเหมือนกับคนจะเชื่อมันต้องเห็นเห็นปุ๊บเห็นปั๊บหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้พอบอกว่าเขาต้องถือศีลเนี่ยค่ะดิฉันเองก็ก็ยังคิดตามอยู่ตลอดนะคะบอกว่าเอ๊ะข้อธรรมะไหนที่ทําแล้วจะมีทรัพย์เพราะว่าคนในยุค ทุนนิยมเนี่ยยังไงก็อยากรวยเอาไว้ก่อนพอบอกว่าถือศีลเนี่ยถึงบอกว่าต้องน้ำมัสการให้ช่วยอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์อ๋อถ้ามีสติใช่ไหมคะสามารถที่จะอยู่ในข้อของศีลทั้งหลายนี้ได้แล้วใช่ๆการมีคือการมีศีลเนี่ยมันเป็นการได้มาซึ่งสติโดยอัตโนมัติเนี่ยพอจิตเราคิดอกุศลจะไปขโมยจะไปฆ่าปุ๊บเนี่ย เราจะมีสติรละลึกได้นะถึงอเรารักษาสิ่งนี้เราจะไม่ทำนะอย่างเนี้ยอันเนี้ยเป็นไปเพื่อสติละเพราะนั้นจิตที่ปรุงแต่งเพื่อให้เกิดการกระทําทางกายทางวาจาอย่างหยาบๆาบเนี่ยเราจะป้องกันได้อันเนี้ยจิตก็เริ่มสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาตามลำดับ แต่ถ้าอย่างเป็นข้ออะไรนะค ะ, ะไม่ดื่มสุดายอย่างี้มันค่อนข้างเห็นชัดอย่างเวลาที่เขามารณรงค์ให้คนเลิกเหล้าเ ล, เลิกเลิกเหล้าเผาบุหรี่กันเนี่ยเขาจะนับกันเลยว่าถ้าไม่ดื่มเหล้าขวดหนึ่งมันกี่บาทสมมุตินะคะแล้วก็บุหรี่เนี่ยถ้าไม่สูบเดือนนึงจะประหยัดไปได้เท่าไหร่อ ย, อย่างนี้มันเห็นเป็นตัวเลขชัดแต่เมื่อมาคิดละเอียดละเอียดจริงๆนะคะเดีะะยังคิดว่ามันเป็นยิ่งกว่าทรัพย์อื่นใดคือเครดิตใช่ เครดิตนี่สำคัญเครดิตในกายวาจาของเราจะสูงมากพูดอะไรใครใครก็เชื่อการที่พูดไปเนี่ยคนไม่เชื่อเนี่ยรู้สึกกดหูไหมใช่ไแต่ถ้าพูดไปเนี่ยมีแต่คนเชื่อเนี่ยโอ้โหการงานเนี่ยคล่องมากเลยอคือยิ่งกว่าพระร่วงเพราะฉะนั้นมหาทานสามอย่างนะคะที่ถ้าจัดประหยัดประหยัดสุดด้วยเป็นการทาทานให้โดยไม่ต้องเสียสตาง แต่อย่างไรเสียก็คงจะไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านมีสตางค์พอจะให้คนอื่นได้แล้วไม่ต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่าคะอ๋อก็ถ้ามีเหตุปัจจัยที่เพียงพอนะจะทำได้เราก็ทำเพราะการให้ทานให้โภกทระซับก็เป็นเหตุได้ได้มาซึ่งโภคะเหมือนกันนี่ทีนี้บางคนบอกแล้วแล้วในกรณีศิลป น, นี่น ะ, ะมีอา น, นิสงส์งมากกว่าการให้ทานเป็นเป็นพันเท่าเลยนะ ท่านเกิดเป็นพราหม์ชื่อเวลา ม, มาเนี่ยท่านรวยมากท่านแจกถาดเงินตาตองเป็นพันๆเหมือนๆถาดกับคนเป็นร้อยเป็นพันนะแต่ท่านบอกว่าสู้รักษาศินครั้งเดียวไม่ได้แต่ท่านเทียบเปรียบเทียบกับว่าครั้งนั้นเนี่ยท่านบอกไม่มีทักษิณยบุคคลมาเป็นผู้รับสารสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แล้วไล่ไปจนถึงสกิทาคามีอนาคามีถึงพระรหันต์แล้วเทียบไปถึงรักษาศินครั้งเดียวมองย้อนกลับลงมานี่โอ้ยหลายพันเท่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะ มองไม่เห็นได้อย่างชัดเจนมากนักแต่ถ้าพินิจพิเคราะห์ใช้ปัญญาไตร่ตรองเนี่ยจะเห็ น, นะะว่าบางอย่างเราจะพูดว่ามีค่ามากกว่าเงินเนี่ยการรักษาศีลจัดได้ว่าเอาเงินเอาทองซื้อไม่ได้นะคะคือจะต้องใช้การปฏิบัติแล้วก็ผลของการรักษาศีลหรือที่เราอาจจะเรียกเป็นภาษ า, าทางธรรมคือมีอานิสงส์เนี่ยนะคะแต่จริงๆมันเป็นผลที่เห็นได้ตรงตัวนี่ก็เห็นชัดๆ ออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ได้ให้รายละเอียดไปแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จําได้ว่าเคยพูดไปแล้วอ่กลับมาเรื่องง่ายๆอีกทีนะคะท่านอย่างทําทานอย่างเงี้ยอบางคนเขาบอกว่าเการที่เขามีจิตใจดีคนรอบข้างนะคะหรื อ, อ, อ, อสมมุติเนี่ยเดินผ่านยามเนี่ย อ, อ, อแทนที่เราจะเดินหน้ามูทูบคนบางคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเรามอ ง, องสพตายอยางทำหน้า <laughs> แบบเหมือนกับหน้าตาไม่มีเส้นประสาทมันตายหมดแล้ว <laughs> อะไรเงี้ยค่ะ แต่เยิ้มย้ำแจ่มใสให้เขาเนี่ยถือเป็นการทําทานใช่ไคะอ๋อก็เป็นกุศลจิตอะไรอยูแต่ว่าเป็นทานก็ได้นะทานเนี่ยมองได้หลายมุมมากเลยค่ะการเสียสละนะการให้บุญกุศลการอุทิศบุญกุศลอย่างเงี้ยค่นะเป็นเรื่องของทานบาระะมีตั้งยังคนอื่น <c oughs> ไปทำบุญมา สมมตบอกเนี่ยเพิ่งไปทำบุญมาที่เนี่ยจะสังเกตว่าคนสมัยใหม่ให้ต้องพูดว่าอนุโมทนายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราได้บุญไหมคะเราควรพูดไม่พูดอย่างไร อ, อ, อก็อพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้พูดก็ไม่ผิดไม่พูดก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ใช่เป็นประเพณีว่ามันต้องพูดเป็นอ๋อก็ จริงๆสำเร็จที่เจตนาแล้วถ้าเจตนาเรารู้สึกว่าชื่นชมยินดีมีมูทิตาจิตกับเขาว่าโอ้เห็นเขาทำความดีแล้วชื่นชมน ะ, ะเห็นรถเนี่ยจอดให้คนข้ามถนนใช่ไหมเราก็มองเห็นโอ้รถคันนี้นะเขาดีจังเลยนะจอดให้คนข้ามถนนไม่จาเป็นจะต้องเปิดกระจกอนุโมทนาเลยนะเนี่ใช่ อ, อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแ ต, แต่ส่วนใหญ่เขาจะอนุโมทนากันในกรณีเราบอกว่าเราไปทาบุญม า, านะครับ อย่างนี้ก็จะบอกว่าอนุโมทนาด้วยอ๋อแต่ว่าที่ใจได้ที่ใจได้ที่ใจแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันนะคะที่ว่าบางครั้งบอกทำทำทานที่ท่านเคยบอกว่าทำทานถ้าจะให้ได้ได้บุญก็ขึ้นอยู่กับทากับใครยิ่งกับสมมุติเนี่ยคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะท่านคะมีคนรักสัตว์เลี้ยงเยอะนะบางคนเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างจะ เพลซี่อะค่อนข้างจะมีความรู้สึกรักสัตว์เนี้ยมากเช่นอาจจะตะเวนไปเอาอาหารไปให้ขี่จักรยานเอาอาหารไปให้สัตว์ตามข้างถนนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําทานอย่างหนึ่งก็เป็นการทําทานก็อยู่ที่ว่ามันทําจนเริ่มเบียดเบียนตัวเราเองหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยอาตมาเป็นนักเรียนเด็กๆเนี่ยคลองข้างๆบ้านอาตมาเนี่ยมันจะเริ่มแห้งในเดือนเมษาอาตมาก็เดินไปก็จะเห็นว่าปลาเนี่ยมันติดแห้งเต็มเลยตายบ้าง เกือบตายบ้างจะรอดไม่รอดบ้างเราก็สงสารเราก็ไปวิทบอนะแล้วก็จับปลามาใส่ในถังเยอะแยะเลยแล้วก็ไปปล่อยบอยใหญ่<ฆ>เราทำอย่างเงี้ยแลมวันแลมคืนจนเราหมดแรงหมดสภาพเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เราก็าช่างมาตัวใครตัวมันแล้วมันจะตายมันจะรอดไอ้เราก็จะแย่อยู่แล้ว <c oughs> จะตายแล้วเหมือนกัน <c oughs> อ๋ออย่างนี้เท่ากับทําระเบียดเบียนตัวอา่าเริ่มเบียดเบียนตนเองละค่ะ <c oughs> แล้วเราก็เริ่มมันนึกว่าเอา ไอสัตว์ในโลกนี้มันก็คงมีเยอะนะที่มันกําลังรอความตายเราคงจะช่วยมันได้ไม่ทั้งหมดหรอกใช่ไหมก็เลยให้เราทําไปตามเหตุปัจจัยถ้ายังจะพอมีแรงทําได้ก็ทําแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกว่าเดือดร้อนเราก็หยุดได้วางอุเบกขาเฉยๆค่ะแล้วถ้าคนเหล่าเนี้ทําแต่ทานกับสัตว์เลี้ยงที่รักแต่ว่าไม่ทําบุญกับพระสงฆ์เลยอย่างเงี้ยเขาจะก็ได้นิสงน้อยไง เป็นบุญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นบุญพระเจ้าบอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ําโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉไนนเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันนะ <Okay. S 1> แต่ทํากับสัตว์เนี่ยก็ได้อยู่แต่มีอ น, นิสงส์น้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับจนกระทั่งถึงมนุษย์ <Okay. S 1> มนุษย์ทุศิลมนุษย์มีศิลมนุษย์เป็นอริยบุคคลมีจิตที่บริสุทธิ์ก็ได้อ น, นิสงส์มากขึ้นตามลําดับผลที่ได้ ก็ตอบสนองกลับมาเร็วทานที่ให้น้อยกลับมีผลมากทานที่ให้มากจะมีผลมากทวีคูณค่จะได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะเคยคุยคนบางคนที่เขารักสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องไปวัดหรอกเขาทําบุญของเขามากทํากับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ทําเฉพาะ้ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านแต่ว่าข้างถนนเนี่ยเขาก็ทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนถ้ามามานึกเหมือนหยอดหยอดกระปุกเหรียญสลึงอะเราหยอดเยอะเลยทําเยอะเลยแต่มันมันรวมแล้วได้น้อยแต่ถ้าเราเนี่ยเหมือนหยอดแบงค์ผ่ เพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจเผื่อว่าท่านยังทําแต่ทานในลักษณะนี้ถ้าท่านอยากจะได้อานิสงส์ที่มากขึ้นก็ทํากับคนมีศีลนะคะก็ทำกับคารวะด้วยกันก็ได้ถ้าคารวะนั้นมีศีลก็คือเอาเรื่องศีลข้อประพฤติทางกายวาจาเป็นเกณฑ์แล้วก็ความบริสุทธิ์ของจิตอย่างนี้นะคะก็ได้ความรู้ ขึ้นเยอะหลยเรื่องการให้แต่การใ ห, รใหม้มีความสุขจริงๆนะคะ uh huh. เพราะว่าเคยสมัยก่อนตอนอยู่โทรทัศน์ก็จะต้องพูดพุทธศาสนาสุภาษิต uh huh. หยอดท้ายข่าวตอนจบอะคะ่ะจำได้ว่ามีอะไรนะราะว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ uh huh. ทงังมิตตานิขันติ uh huh. อะไรเน uh ี huh. ่ยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของผู้อื่นแ <laughs> ้่จำไม่ได้ทั้งหมดเลยคะ่ะ uh huh. ก็จาจาได้บ้าง uh huh. ไม่ได้บ้างรู้ uh huh. แต่ว่าการเป็นผู้ให้เนี่ย ถ้าทางทางศาสนาผม ว, ว่าดีเป็นผู้รับใช่ใชใช ไ, ได้ประโยชน์สุขมากกว่าค่ะมันมันได้ความอิ่มใจตอน uh huh. ให้ถ้าให้โดยบริสุทธิ์ใจในความจริงมันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเอง uh huh. เลยนะคะ uh huh. ลองให้ให้อะไรด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของเราเนี่ยให้มากให้น้อย uh huh. มันได้ความอิ่มใจซึ่งเหมัอนอธิบายไม่ได้เหมือนกัน uh huh. นับไม่ได้ uh huh. ค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องมหาทาน ว่าทำทานอย่างไรที่ไม่ <c oughs> ไม่มีเงินทำได้ <c oughs> หรือไม่แล้วก็ถ้าอาจารย์ก็บอกว่าผู้เจ้าตรัสเอาไว้ว่าแค่ปฏิบัติศีล5 3สข้อแรกนี่ก็ถือว่าเป็นมหาทานเป็ น, นมหาทานชั้นเลิศแล้วนะคะ <c oughs> ก็ลองไปทำกันจะได้บุญเยอะๆนะคะ